ผู้ฉลาดในธาตุท่านพระอาณนทุนถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่จึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนธาตุสิบแปประการนี้คือ 1. จึกขู่ธาตุธาตุคือจกขุประสาท 2. รูปธาตุธาตุคือรูปารมณ์ สาจักขวิญญาณธาตุธาตุคือจักขวิญญาณ 4. โสตธาตุธาตุคือโสตประสาท 5. ้สัทธาธาตุธาตุคือสัทธารมณ์ 6. โสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณ 7. จคานาธาตุธาตุคือคานประสาท 8. คันธาธาตุธาตุคือคันธารมณ์ 9. าคานวิญญาณธาตุ ธาตุคือคานวิญญาณ 10. ชิวหาธาตุธาตุคือชิวหาประสาทสิบเรัศธาตุธาตุคือรสารมณ์ 12. ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือชิวหาวิญญาณ 13. กายธาตุธาตุคือกายประสาทสิบสี่โพธพธาตุธาตุคือโผพธพารม์ 15. ากายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณ1 6มโนธาตุธาตุคือมโน17ธรรมธาตุธาตุคือธรรมรมณ์ 18. มโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณอนน์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ8ปประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายเอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานน์มีธาตุหกประการนี้คือ 1. ปัปทวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุสวายโยธาตุ 5. อากาศธาตุ 6. วิญญาณธาตุอานน์ เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหกประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุหกประการนี้คือ 1. สุขธาตุธาตุคือสุข 2. ทุกขธาตุธาตุคือทุกขสมมสมณะธาตุ ธาคือโสมนัส 4. โทรมนัสธาตุาตคือทรมนัส 5. อุเบกขาธาตุาดคืออุเบกขา 6. อาวิชาธาตุาตคืออวิชาอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหกประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุหประการคือ 1. กามธาตุธาตุคือกามสองเนคขมะธาตุธาตุคือเนคขมะ 3. พยาบาทธาตุธาตุคือพยาบาท 4. ี่อพยาบาทธาตุธาตุคืออัพยาบาท 5. วิหิงสาธาตุ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 1กามาธาตุธาคือกามารมสองรูปธาตุธาคือรูปารมสามอารูปธาตุธาคืออรูปารมอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสามประการนี้แหลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ อานน์มีท่าสองประการนี้คือ 1. สังคตาธาต์ธาต์คือสังคตาธรรม 2. อ, อสังคตาธาต์ธาต์คืออสังคตาธรรมอานน์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นท่าสองประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาต์ ผู้ฉลาดในอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะอานน์อายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการนี้คือ 1. จักขุตาคู่กับรูป 2. โสตหูคู่กับสัทธะเสียง 3. คานะจมูกคู่กับ คันทะกลิ่น 4. ชิวหาลิ้นคู่กับรส 5. กายคู่กับโพธพะ 6. มโนใจคู่กับธรรมารม์อานอนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการ น, นี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะ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 เพราะอวิชชาเป็นป e. ัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภัษะเป็น huh ปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นป <c oughs> <mais> ัจจัยตัณหาจึง <Par> มี <fried> <c oughs>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 ชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้อานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท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 แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือสังขารไร่รโดยความเป็นสภาวะเที่ยงรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไร่รโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือสังขารไร่รโดยความเป็นสุขรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ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 เป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าวสักกะละถึงเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าวสักกะเป็นมารเป็นพรหม รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายยทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายยทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่วจีทุจริตและถึงเป็นไปไม่ได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ แต่เป็นไปได้ที่วจีทุจริตละถึงแต่เป็นไปได้ที่มนุทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรู้ชัดว่า เป็นไปไม่ได้ที่วจีสุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้ที่โมโนโสุจริต us จะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่นา drawers, ม่นาพอใจแต่เป็นไปได้ที่วจีสุจริตละถึงแต่เป็นไปได้ที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายยัตุจริต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 หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียรพร้อมด้วยวจีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยวจีทุจริตละถึงแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตเนรกเพราะความเพียรพร้อมด้วยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่า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 เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยวจีสุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความเพียรพร้อมด้วยมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยวจีสุจริตละถึงแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยมโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล่จึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาถรนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์เลือกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงจำธรรมบรญญายนี้ไว้ว่าชื่อพระหุทาตุกะบ้างชื่อจตุปริวัตตบ้างชื่อธรรมมาทาสะบ้างชื่ออมตะทุนนทุผีบ้างชื่ออนุตระสังขามวิเชยะบ้าง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 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเหน็นภูเขาเวพาระนั่นไหมภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่าภูเขาเวพาระนั่นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาปันทวะนั่นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่าแม้ภูเขาปันทวะนั่นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่ง มีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาเวปุลละนั่นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่าแม้ภูเขาเวปุลละนั่นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาคิจขูนั่นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่าแม้ภูเขาคิจขูนั่นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งเธอทั้งหลายเห็นภูเขาอิสิกิลินีไหม เห็นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายแต่ภูเขาอิสิกิรินี้นั้นมีชื่อเช่นนี้มีบัญญัติเช่นนี้เรื่องเคยมีมาแล้วพระปัเจกขพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิรินี้มานานพระปัเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้ประชาชนเห็นแต่พอท่านเข้าไปแล้วประชาชนไม่เห็น ประชาชนทั้งหลายเห็นเหตุ ด, ดังกล่าวนั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่าภูเขานี้เกลืนกินเรือสีเหล่านี้ภูเขานี้จึงปรากฏชื่อว่าอิสิคิลิอิสิคิลิลดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกระบุแสดงชื่อของพระปัจเจคพุทธเจ้าทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังชื่อของพระปจเจคพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระอริธ h ัปเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระอุปริธ h ัปเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระ ต, ตักระศิขีปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระยะศสีป hmm ัเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระสุทัศน์ปเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระปิยทัศสีปัจเจกสัมพุทธเจ้า ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระคันธาระปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู <Lebanon> ่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระปินโทละปเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระอุปาสพระปเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้ว พระนิทะปัเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระตถาปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระสุตตวาปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานานแล้วพระภาวิตตตะปัจเจกสัมพุทธเจ้า ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิขิลินีมานานแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราผู้ประกาศชื่อของพระปจเจกพุทธเจ้าที่มีธรรมเป็นสาระกว่าสรรพสัตว์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากได้บรรลุพระสัมโพธิญาณเฉพาะตนผู้ปราศจากลูกสรคือตันหาสูงกว่านรชนดังต่อไปนี้ พระปเจกพุทธเจ้าผู้สิ้นตันหาเครื่องนําไปสู่พบคืออริ tha พุทธะหนึ่งอุปริ tha พุทธะหนึ่งตคขระสิกีพุทธะหนึ่งยะสัตสีพุทธะหนึ่งสุทัศนพุทธะหนึ่งปิยะทัศสีพุทธะหนึ่งคันธาระพุทธะหนึ่งปินโทระพุทธะหนึ่งอุปาสภพุทธะหนึ่งนิถพุทธะหนึ่ง ตถาพุทธะหนึ่งสุตวาพุทธะหนึ่งภาวิตตะพุทธะหนึ่งสุมาภะพุทธะหนึ่งสุภะพุทธะหนึ่งเมทุลพุทธะหนึ่งอัตธมพุทธะหนึ่งอสุเมฆะพุทธะหนึ่งอริฆะพุทธะหนึ่งสุทาถาพุทธะหนึ่งพระปัจเจคพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมากคือ หิงขูพุทธะหนึ่งหิงคะพุทธะหนึ่งพระมุนีชื่อชาลีมีสององค์และพระอัฏกกะพุทธะหนึ่งโกสัญลพุทธะหนึ่งอัฐพุทธะหนึ่งสุภาหุพุทธะหนึ่งอุปเนมิสพุทธะหนึ่งเนมิสตตพุทธะหนึ่งสันตจิตตพุทธะหนึ่งสัจพุทธะหนึ่ง ตถาพุทธะหนึ่งวิรัชพุทธะหนึ่งปันติตพุทธะหนึ่งการพุทธะหนึ่งอุปการละพุทธะหนึ่งวิชิตะพุทธะหนึ่งชิตะพุทธะหนึ่งอังคพุทธะหนึ่งบังคพุทธะหนึ่งคุติชะชิตะพุทธะหนึ่งปัสีพุทธะผู้ละอุปธิอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้หนึ่ง อราชิตะพุทธะผู้ชนะมารและพลมารหนึ่งสัทธาพุทธะหนึ่งปวตาพุทธะหนึ่งสรพังฆะพุทธะหนึ่งโลมหังสะพุทธหนึ่งอุจจังคะมายะพุทธะหนึ่งอศิตะพุทธะหนึ่งอนาสวะพุทธะหนึ่งมโนมยะพุทธะหนึ่งพันธุมาพุทธะ ผู้ตัดขาดมานะได้หนึ่งตถาทิมุตตพุท ธ, ธะหนึ่งวิมลพุท ธ, ธะหนึ่งเกโตมาพุท ธ, ธะหนึ่งเกโตมะภราคะพุท ธ, ธะหนึ่งมาตังคพุท ธ, ธะหนึ่งอริยพุท ธ, ธะหนึ่งอจุตะพุท ธ, ธะหนึ่งอจุตะคาธรมพุท ธ, ธะหนึ่งพยามกะพุท ธ, ธะหนึ่ง สุมังคละพุทธะหนึง่งทัพพิละพุทธะหนึง่งสุปฏิทิตะพุทธะหนึง่งอาศัยหะพุทธะหนึง่งเขมาพิรตพุทธะหนึ่งโสรตะพุทธะหนึงน่งสุรัญญาพุทธะหนึง่งสังฆพุทธะหนึง่งอุเชยะพุทธะหนึง่งพระมุนีองหนึ่งชื่อว่าสายหะ ผู้มีความเพียรไม่ต่ำซามหนึ่งพระปัจเจคพุทธพระนามว่าอนันทะสี่องค์พระนามว่านันทะสี่องค์พระนามว่าอุปนันทะสี่องค์รวมสิสององค์และพารัตวาชะพุทธผู้ทรงพระวรากายในภพสุดท้ายหนึ่งโพธิพุทธหนึ่งมหานามพุทธหนึ่ง อุตรพุทธะหนึ่งเยสีพุทธะหนึ่งสิขีพุทธะหนึ่งสุนทรพุทธะหนึ่งพาะรัวะชะพุทธะหนึ่งติสสะพุทธะหนึ่งอุปติสสะพุทธะผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกในภพได้หนึ่งอุปสีเธรีพุทธะหนึ่งและสีเธรีพุทธะผู้ตัดตัณหาได้หนึ่ง มังคลพุทธะผู้ปราศจากราคะหนึ่งอุสภ พ, พุทธะผู้ตัดขายอันเป็นมูลแห่งทุกข์หนึ่งอุปนิตะพุทธะได้บรรลุบทอันสงบหนึ่งอุปสถตถพุทธะหนึ่งสุนทรพุทธะหนึ่งศนามะพุทธะหนึ่งเชตพุทธะหนึ่งชยันตะพุทธะหนึ่งปทุมมะพุทธะหนึ่ง อุปละพุทธะหนึ่งปทุมุตระพุทธะหนึ่งรคขิตะพุทธะหนึ่งัปตะพุทธะหนึ่งมานัต พ, พุทธะหนึ่งโสพิตะพุทธะหนึ่งวีตราะพุทธะหนึ่งการหาพุทธะผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้วหนึ่งพระปเจกผู้จะ เ, เจ้าผู้มีอนุภาพมากเหล่านี้ และอื่นๆผู้สิ้นตันหาเครื่องนำไปสู่พบเธอทั้งหลายจงไหวพระปัจเจกพพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องค้องทั้งปวงได้แล้วผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีคุณอันหาประมาณมิได้ผู้ปรินิพานแล้วเถิดอิสิิลิสูตรที่หกจบ เจดมหาจัตตารีสกะสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกเข้าระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปิตกะเศรษฐีเขขกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับเสียงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบอันเป็นอริยะที่มีโอปนิสสะมีปริคานเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฐิเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจดนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างเรียกว่า สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีบริคานบ้างบรรดาองค์เจนนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรเพอภิกษุรู้ชัดมิชาทิฏฐิว่าเป็นมิชาทิฏฐิ รู้ชัดสัมมาทิฐิว่าเป็นสัมมาทิฐิความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแหงกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดามไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาธิกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่หนึ่งสมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิสองสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสูงที่เส้นสูงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วมี โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณะพราหม์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักเป็นอย่างไรคือปัญญาปัญญินสีปัญญาภะธรรมวิจยะสัมโพชงสัมมาทิฏฐิองค์แห่งมักของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้เพียรพร้อมด้วยอริยมักจเจริญอริยมักอยู่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมัก ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. ส, สัมมาวายามะ 3. ส, สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็นนั้นสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไร คือภิกษุรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในกามความดำริในความพยาบาทความดำริในการเบียดเบียนนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือ เรากล่าวสัมมาสังกัปปะว่ามีสองได้แก่ 1. สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ 2. สัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกาม ความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เป็นสัมมาสังกประที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาสังกปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความตรึกความวิตกความดำริความแน่วแน่ความแนบแน่นความปักใจความปรุงแต่งคา ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียรพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโล ก, กุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะยังสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ พิสูจนั้นมีสติละมิชฌาสังกัปปะมีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัสามมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉนี้ ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจตนนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิฉาวาจาว่าเป็นมิฉาวาจารู้ชัดสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิฉาวาจาเป็นอย่างไรคือการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นมิชาวาจาสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาวาจาว่ามีสองได้แก่ 1. สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ 2. ส, สัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรัก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 สัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากวจีทุจริตสี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักพิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจายังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมอยู่ความพยายามของพิกษุนั้นเป็นสัมมาวาญามะพิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจามีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่สติของพิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือหนึ่งสัมมาทิฐิ สสัมมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมพ่อมล้อมคล้อยตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็นนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรูชร้ชัดมิจฉากรรมมันตะว่าเป็นมิจฉากรรมมันตะรู้ชัดสัมมากมันตะว่าเป็นสัมมากมันตะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉากรรมมันตะเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี้เป็นมิจฉากรรมมันตะสัมมากมันตะเป็นอย่างไร คือเรากล่าวสัมมากัมมันตะว่ามีสองได้แก่ 1. สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ 2. สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโล ก, กุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุลดเว้นจากการฆ่าสัตว์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 ภิกษุนั้นมีสติละมิชากรมมันตะมีสติเข้าถึงสัมมากรรมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติท่ามสามนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัสามมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมห่อมล้อมคล้อยตามสัมมากรรมันตะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉนี้